รู้จริงเห็นจริงต้องปฏิบัติจริงข้อมูลต่างๆอะไรผิดอะไรถูกนี่เราจะหาได้จากคนที่ไม่เคยท่องคำภีธรรมะมาคนที่งูงูปลาปลาแต่ว่าเขาปฏิบัติจริงและภูมิจิตภูมิใจเขาเกิดขึ้นเขามาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้โกหกเราเพราะเขาไม่รู้แบบเขาเอาความจริงมาเล่าให้เราฟัง เพราะฉะนั้นบรรดานักปริยัตทั้งหลายท่านจะบอกว่าความเข้าใจธรรมะของนักปริยัตกับนักปฏิบัติไม่เหมือนกันความจริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เรารู้ขาดกับรู้เกินความรู้พอดีมันไม่มีมันจึงได้ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันการปฏิบัติสติจึงเป็นปัจจัยสำคัญเราจะสรุปได้ว่าเราปฏิบัติแทบเป็นแทบตาย จะได้สมาธิขั้นใดยานขั้นใดฌานขั้นใดผลลับครั้งสุดท้ายก็คือตัวสติเรื่องขั้นยานขั้นฌานไปนับให้มันเมื่อยทำไมคนที่เป็นจริงคนที่ได้จริงถึงจริงเห็นจริงเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะจิตไม่ได้บอกนี่ว่าฉันอยู่ในสมาธิขั้นนั้นยานขั้นนั้นฌานขั้นนั้นแม้ผู้สาเร็จจริงๆ บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าจิตของตัวเองอยู่สมาธิขั้นใดชานขั้นใดพระพุทธเจ้าท่านเทศให้ฟังต่างหากหรอกถึงได้รู้ปัญหาเกิดที่จิตให้รู้ที่จิตให้จิตแก้เอง ที่ถูกต้องแน่นอนที่สุดคือเมื่อมีปัญหาเกิดที่จิตจิตเขาทำหน้าที่แก้ของเขาเองนั่นแหละถูกต้องที่สุดเมื่อเขาแก้แล้วผิดหรือถูกเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายถือเป็นเพียงอารมณ์จิตเท่านั้นเช่นบางอย่างที่จิตอาจจะสงสัยอะไรขึ้นมาหนิเอ๊ะเราจะไหวรูปพระพุทธเจ้าหรือจะไหวรูปย่าโมดีบางทีจิตหนึ่งมันอาจจะบอกว่า ว่ายา่าโมดีกว่าทํานองนี้จิตมันเถียงกันเราเพียงแต่ฟังมันเท่านั้นอย่าเอาเป็นอารมณ์ยึดสติตัวรู้เมื่อจิตมันรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วเขาตัดสินเขาเองหรือถ้าหากว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆอันนี้มันผิดหรือมันถูกเราอาจจะถามครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ก็ได้ในเมื่อท่านตอบว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูก เราก็ต้องไปพิจารณาเองจนกว่าจิตเราจะยอมรับว่าผิดหรือถูกแต่สิ่งรู้ของจิตจะเป็นการรู้ผิดรู้ถูกให้ถือเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรถึงแม้ว่าออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วมันยังสงสัยข้องใจอยู่ก็อย่าไปถือเป็นอารมณ์เพียงแต่เรากำหนดสติรู้ รู้สิ่งที่มันเกิดดับอยู่กับจิตเท่านั้นตลอดเวลาแล้วมันจะหายสงสัยเอง